ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องดังหนึ่งดูแลพระพุทธเจ้าโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้จะลองอ่านเรื่องในพระไตรปิฎกให้เราฟังสักเรื่องหนึ่งปดีไปเปิดเจอเข้ารู้สึกว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึง่งก็เลยคิดว่าน่าจะมาให้พวกเราได้ฟังกันดูพระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อที่166 เราลองฟังดูนะมีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วงนอนจมกองมูดกองคูดของตนอยู่มูดคืออะไรอ่มูดคือปัสสาวะนะเยี่ยวคูดและอ่คูดก็คืออุจลระพูดภาษาชาวบ้านก็ขี้ปรากฏว่าเนี่ยมีพระป่วย นะท่านก็ น, นอนจมวุยง่ายกองขี้กองเยี่ยวเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคนะมีพระ อ, อนุนเป็นปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะคือไปตามที่พักที่อยู่อาศัยของภิกษุนั่นเองได้สเสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุรูปนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้นเข้า คั้นแล้วเสด็จเข้าไปใกล้ภิกษุรูปนั้นแล้วก็ตรัสถามว่าเธออ า, าพาธเป็นโรคอะไรภิกษุข้าพระพุทธเจ้าอ า, าพาธเป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าข้าเธอมีผู้พยาบาลไหมเล่าภิกษุไม่มีพระพุทธเจ้าข้าก่อนแล้วเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอ เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลข้าพระพุทธเจ้าคือปรากฏว่าภิกษุเนี่ยโอนอนจมกองขี้กองเยี้ยนพะุทธเจ้าไปเจอเข้าไปพร้อมกับพระอานนุ์เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอถามเสร็จเรียบร้อยเอา้าป่วยเป็นโรคท้องร่วงนันแสดงว่าโอ้โหตอนนี้ ต้องฉุยเลยนะ่ากินนะ่ะเพราะว่านอนจมอยู่เนี่ยเสร็จแล้วพอเจอป้าผู้เจ้าท่านก็สอบถามเสร็จถามจนกระทั่งสุดท้ายก็คือถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาช่วยพยาบาลเลยเหรอคำตอบของภิกษุรูปนี้ก็คือว่าที่ไม่มีใครช่วยพยาบาลก็เพราะว่าภิกษุรูปเนี้ยไม่ค่อยไปช่วยเหลืออะไรใครคือไม่มีอุปการะแก่ใครใครเลย อันนี้ก็เหมือนกับวิบากรรมซึ่งประเด็นปัญหานี้นะเคยมีผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนะหรือว่าบางทีมาทดลองอยู่ที่วัดพอมาอยู่อยู่ไปแล้วปรากฏว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออป่วยแล้วเหมือนกับไม่ค่อยมีใครมาดูแลเอาใจใส่บ้างเลยบางคนก็นึกน้อยใจบางคนก็รู้สึกว่า คือจิตมันเกิดความรู้สึกไม่ดีว่าโอโหคนที่นี่นะทำไมเหมือนกับอะไรใจจืดใจดำนะคนเจ็บป่วยไม่เห็นมาช่วยดูแลอะไรกันเลยบางครั้งจะมีคนที่รู้สึกอย่างนี้อยู่นะก็เหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้บอกความรู้สึกของภิกษุรูปนี้นะแต่ในเพื่อตายปิฎกเนี่ยพอพุทธเจ้าท่านถามไปภิกษุนี้ก็ตอบ นะสมัยก่อนนี่เขาตอบตามตรงตอบตามจริงนึกยังไงคิดยังไงไปทำอะไรมาไม่มีหลบเลี่ยงไม่มีบิดเบี้ยวนะส่วนใหญ่ะนะนอกจากผู้ที่ไม่มีศีลเท่านั้นแนหะแต่ภิกษุรูปนี้แสดงว่ายังมีศีลอย่างน้อยน้อยศีลข้อไหนศีลข้อส่นะที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ นะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ทําอย่างตรงตรงนะไม่อ้อมค้อมไม่หลบเลี่ยงไม่โกหกอนะันี้พอตอบพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอไปตักน้ํามาเราจะสงน้ําภิกษุรูปนี้ไม่พูดมากเลยพูดน้อย แต่โอ้โหอะไรอะ่ะน่าประทับใจนะคือพอพระพุทธเจ้าได้รับคำตอบจากภิกษุรูปเนี้ยพราที่ไม่มีใครมาช่วยดูแลช่วยพยาบาลเลยนันก็เพราะว่าไม่เคยไปช่วยเหลือใครอะ่ะพูดง่ายภิกษุรูปนี้ก็อยู่ในพบตัวเองอะ่ะหรือว่าเอาแต่ตัวเองเท่านั้นบางทีคนอื่นเขาจะลำบากคนอื่นเขาก็จะเจ็บป่วย นะหรือเขามีทุกเขามีความลาบากอะไรเกิดขึ้นไม่ใส่ใจไม่สนใจใครนะเอาเอาตัวรอดของตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยวิบากกรรมอย่างเงี้ยมันก็มีผลที่จะตามมาทำให้พอเวลาเจ็บป่วยไม่มีใครเขาอยากจะมาเกื้อกูลไม่มีใครเขาอยากจะช่วยเหลือด้วยถ้าจะว่าไปเนี่ยอย่างเงี้ยคนอื่นผิดไหมถ้าถามพวกเราในที่เนี้ย ว่าคนอื่นผิดไหมที่ไม่มาช่วยเนี่ยผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเพราะอะไรไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ช่วยฉันฉันก็ไม่ช่วยแกอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่ได้ตั้งอะไรนะอ๋อไม่ได้สร้างคือคือ เมื่อคุณไม่มาทําดีกับฉันเพราะฉันก็ไม่ทําดีกับคุณอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อยกให้วิบากรรม <c oughs> อ่าเดี๋ยวฟังต่อถ้าอย่างนั้นนะแต่ปรปรากฏว่าพุทธเจ้าไม่คิดเหมือนภิกษุอื่นๆพอพระพุทธเจ้าพบอย่างนี้ปับ๊บบอกกับพระ อ, อนนท์เลยไปตักน้ํามาเดี๋ยวเราจะส่งน้ําก็คือ จะทำความสะอาดหรือว่าจะช่วยอะไรอะ่ะอาบอาบน้ำอะ่ะสงน้ำนี่ก็คือจะช่วยทำความสะอาดให้กับภิกษุรูปนี้ไม่คิดมากเลยพระุทธเจ้านะทันทีพระอนนทูนลรับสนองพระพุทธบัญชานะก็คือไปตักน้ำมาให้ดังนี้แล้วนาตักน้ามาถวายพระผู้มีพระภาคทรงรดน้า ส่วนท่านพระ อ, อนุ์ก็ช่วยขัดสีหรือผู้เจ้าท่านก็ช่วยลาดน้ำให้หนะก็นั่นแหละก็ช่วยกันนะ่เท่ากับสองรูปออสององคเนี่ยพระเจ้าองค์หนึ่งพระ อ, อนุนอีกองค์หนึ่งก็ช่วยกันทำความสะอาดให้กับภิกษุรูปนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่บอกแล้วนะว่านอนจมกองขี้กองเยี่ยอยู่นะเพราะจะต้องโหทั้งเหม็นทั้งสกรปรกแน่นอนแหละก็คิดดูเอาก็แล้วกัน ว่าทั้งอะไรอ่ะทั้งผ้าคลองทั้งกีวรหรือว่าทั้งสสบงใช่ไหมโหต้องสกปกลกเลอะอย่างมากมากเลยแล้วมันไม่ใช่แหมเลอะไอของธรรมดาซ้วยอันนี้เลอะประเภทขี้กับเยี่ยวโอ้โหเพราะนั้นเด็วกว่าใจไม่ถึงนี่ลำบากนะไม่ต้องกับโคนหรอกบางทีกับอะไรอ่ะ ห้องน้ําอะในชีวิตนี้ใครไม่เคยทําความสะอาดห้องน้ําบ้างเลยในชีวิตเนี่ยคือไม่เคยไปขัดห้องน้ําไม่เคยเอ อ, อะไรอะไอขัดโถส้วมอะไรเงี้ยในชีวิตเนี่ยมีไหมในที่นี้ใครไม่เคยทําบ้างเลยโอ้โชคดีนะเคยทํามาแล้วทุกคนใครคิดว่า อ, อ อาชีพอย่างเงี้ยเป็นอาชีพที่อะไรอ่ะมันสกโศกอ่ะมันยังน่ารังเกียจอยู่เอาถามตรงๆอ่ะใครยังมีความรู้สึกอยู่ออยังมีอยู่หลายคนมันไม่ง่ายนะโอ้โหนั่งทำใจวันเคยเคยพูดให้พวกเราฟังอ่ะจริงๆสมัยก่อนของเรานะเนี่ยนะเนี่ยพวกที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมอยู่ ท, ที่ที่วัดเรา สมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะปะนาคไม่ว่าจะค้นวัดต้องช่วยกันทาาําความสะอาดท้องน้ํานี่ก่อนอื่นเลยเป็นงานที่เรียกว่าฝึกเพราะว่ามันฝึกหลายอย่างนั่นนึงคือฝึกอะไรบ้างฝึกเรื่องของลดละอะไรล่ะอาตาัอาตราอัตราตัวไหนอะฮะอัะอาตราตัวไหนอือตัวไหน ความรังเกียจนะความรังเกียจความขยะขยงไม่ต้องของคนอื่นแนละ้วบางทีของเราเองเรายังแหมไม่ง่ายเลยนะบางคนนะบางคนเนี่ยบอกตรงๆเลยอาตมาเชื่อเลยนะว่าบางคนเนี่ยถ่ายอุจจาระไม่ไม่กล้ามองอุจจาระตัวเองนะบางคนนะนะพวกที่เรียกว่าติดมากๆอะพวกที่ติดสะอาดนะติดสวยติดงามรังเกียจพวกของประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นอนะเชื่อเลย เขาถึงอะไรอะ่ะที่เขาเคยพูดกันเนี่ยว่าพวกพวกคนรวยนะพวกเศรษฐีพวกอะไรเนี่ยเขาถ่ายเสร็จเขาไม่ต้องเช็ดก้นพูดง่ายไม่ต้องเลยเขามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยที่เรียกว่าไม่ต้องเช็ดก้นเองพวกวไม่อยากแตะไม่อยากต้องไม่อยากอะไรเลยเข้าห้องน้ํานี่ต้องเอาไอ้น้ําหอมเอาอะไรเปอร์ฟูมอ่ะน้ําหอมเนี่ยเอามา ดับกินชนิดที่เรียกว่ากินยังกินของตัวเองนะไม่ใช่กินของใครหรอกกินของตัวเองยังไม่อยากได้กินเลยคิดดูเอาก็แล้วกันโอ้เพราะฉะนั้นหนักข้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยการทําความสะอาดห้องน้ำเนี่ยลดละจริงๆเรื่องของความสะอาดความรักสวยรักงามประเภทขยะขยะแยงประเภทรังเกียจของสกปรกอะไรอย่างนี้ โอ้เพราะฉะนั้นใครได้ทำความสะอาดห้องน้ำอัตราตัวแรกตัวนี้จะลดลงอย่างมากเลยเอาสองมีอะไรอีกตัวแรกนี่คือคือได้ปรงอสุภาษนั่นเองนะเออได้หัดปรงวางอสุภาษแปลว่าของที่ไม่สวยไม่งาม้วได้หัดปรงในเรื่องของความสกปรกความไม่สะอาดเอาสองได้อะไรอีกนะทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ย เอ่าได้รถอัตราอีกตัวหนึ่งก็คือแมบางทีฉันเป็นระดับนั้นฉันเป็นระดับนี้นะฉันเอ่อเป็นผู้จัดการฉันเป็นอะไรเจ้าของร้านขายยา <c oughs> ฉันเป็นอะไรอีกพวัะ น, นั้นงานพวกนี้ต้องให้ลูกจ้างต้องให้พวกเอ่อทำงานเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกเก็บขยะพวกอะไร ฉันตำทำใช่ไหมบางทีเขาจะรู้สึกเขาจะคิดอย่างนั้นเพราะนบางคนต่อกี้เนี่ยอาตมา ถ, ถึงได้ถามว่าว่ามีไหมเนี่ยในที่นี้ใครที่เรียกว่าไม่เคยเลยจะทำความสะอาดท้องน้ำห้ามโกโหกนะ <c oughs> มีไหมออแสดงว่าอย่ากให้น้อยพวกเราทุกคนต้องผ่านการฝึกมาแล้วแต่พวกอาตมาเนี่ยสมัยเป็นป่าเป็นนาอะไรมาต้องโดนหมดแหละ แต่สมัยก่อนอยู่ที่บ้านนะจริงๆไม่เคยทํานะสมัยก่อนอยู่ที่บ้านไม่เคยทําไม่ต้องทอําอ่ะเพราะบางทีแม่ทําให้บ้างใช่ไหมอ่าพี่คนอื่ น, นเขาทําให้บ้างอะ่ะเราไปน้องๆเราไม่ต้องทําสบายไอ้ล้างถ้วยล้างชามไม่ต้องทําสบายมีคนทําให้หมดอย่าว่าแต่นี่เลยซักเสื้อผ้าไ ม, ไม่ต้องซักเหมือนกันมีคนอื่นทําให้เสร็จหมดสบาย ทุกอย่างจนอาตมาตาหลังอ่ะที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วคนนี้ถึงแม้จะอยู่บ้านนะถึงได้เปลี่ยนเปลี่ยนนิสยัยว่ารู้แล้วว่าเออไออย่างนั้นมันไม่ถูกนะแล้วอย่างนั้นเราไม่ได้ฝึกเพราะเราจะรังเกียจอะไรเนี่ยเยอะหลายอย่างเพะั้นพอปฏิบัติธรรมวับเริ่มฝึกทันทีเลยฝึกอะไรที่เราไม่ชอบบ้างอะไรที่เรารังเกียจบ้างฝึกกล้าเข้าไปนะ่าลองทําดูเนี่ย ได้ลดละมานะอัตตาหลายอย่างหลายเรื่องเลยนะอา้าอันนี้กับกับพูดคราวให้ฟังนะสักสองตัวอย่างอ่ะตอนนี้พอพระเจ้าท่านสงน้ำแล้วก็พระอานนนะช่วยทำความสะอาดให้จนกระทั่ง เ, เสร็จเรียบร้อยพระผู้มีพระภาคทรงยกศรีรษะส่วนท่านอานน์ยกเท้านะคือคือช่วยกัน อะไรอ่ะสองคนอ่ะนะพระเจ้ายกทางหัวผ้าอนลยกทางทางทางเท้าแล้วก็ยกขึ้นไปบนไปนอนอ่ะยกขึ้นไปนอนบนเตียงเพราะว่าเวลาทําความสะอาดก็ต้องเอามาใช่ไหมต้องช่วยกันอุ้มอ่ะต้องช่วยกันอุ้มอเอามาทําความสะอาดเพราะว่าไอ้ที่นอนก็เลอะไปหมดอ่ะเพราะงัก็ต้องทําความสะอาดที่นอนด้วยนะป่วยง่ายทําทั้งหมดเลยนะทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ทั้งผ้าเนล เสร็จพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วกนะ็เอากลับขึ้นไปนอนบนเตียงใหม่พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในพาอเหตุเป็นข้ามูลนั้นในพาอเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าในวิหารหลังโนนมีภิกษุอาพาธยอยู่หรือไม่คือลองมาถามภิกษุว่าเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมว่ามีภิกษุป่วยเนี่ยอยู่รูปหนึ่ง นัภิกษุ familia? ทั้งหลายนี่ก็บอกว่ารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคอะไรหรือภิกษุทั้งหลายถามใหม่นะพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วนะแต่จะถามว่าภิกษุเนี่ยรู้ไหมว่าภิกษุรูปนั้นอะป่วยเป็นโรคอะไรนักภิกษุ seja, ทั้งหลายนี่ก็ตอบว่าภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าค่ะแสดงว่ารู้อีกอะรายละเอียดรู้หมด ภิกษุรูปนั้นมีผู้พยาบาลหมเล่าภิกษุทั้งหลายไม่มีพระพุทธเจ้าข้านะรู้หมด <c oughs> นะถามอะไรไปตอบมาได้หมดพระเจ้าท่านกรถามต่ออีกว่าเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลภิกษุป่วยรูปนั้นเพราะท่านรูปนั้นไม่ได้ทําอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยายัมจึงไม่พยาบาลท่านรูปนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเหตุผลรู้หมดว่าเพราะอะไรป่วยอะไรทำไมถึงไม่มีใครไปพยาบาลนะัแสดงว่ารู้รู้ดีหมดเลยเสร็จแล้วตอนนี้ดูนะจริงๆเนี่ยพพุทธเจ้าท่านถามถามไปคือพูพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีอุปนิสัย นะหรืออัจาสัยเนี่ยที่เรียกว่าท่านจะตัดสินท่านจะพิจารณาหรือว่าท่านจะตําหนิใครไม่ใช่อยู่ดีดีพอมาเจอหน้าก็ตำห น, นิตำห น, นิตำห น, นิว่าไปเลยไม่ไม่ไมคุณเจ้าท่านจะถามย้อนก่อนเสมอว่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนะจะถามรายละเอียดจะเรียกว่าเพียงพอแล้วพอท่านเห็นว่าผู้ที่โดนทักถามเนี่ยตอบมาเป็นยังไงแล้วท่านถึงจะสรุปว่า ว่าถูกหรือว่าผิดหรือว่าเหมาะหรือว่าไม่เหมาะยังไงว่าอันนี้เราน่าจะฝึกกันเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยจะติจะว่าอะไรใครอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนควรฝึกนิสัยอันนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าให้ได้นะท่านจะถามก่อนอันนี้พอพระพุทธเจ้าเนี่ยพอถามภิกษุทั้งหลายตอบมาตามที่พรพุทธเจ้าถาม อภิษุที่ป่วยเลยนะคําตอบมาได้เหมือนกันเลยเสศษผู้เจ้าท่านก็เลยคราวนี้ท่านก็จะเตือนแหละนะบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอจะไม่พยาบาลกันเองคือนี่ท่านตรัสกับภิกษุอนะซึ่งอันนี้เราเองเราคงจะเคยได้ยินมา นะในในพระสูตรบทนี้ที่ท่านใช้คำว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่พูดยังไงเขถือว่านักบวชนี่ตัดขาดหมดแล้วเพราะว่าละบ้านช่องเรือนชานนะเคยมีพ่อเคยมีแม่มาเคยมีพี่ น, อน้องคือญาติอะไรต่างตาแต่สละออกหมดแล้วไงนะพอท่านก็มาฝึกฝนมาปฏิบัต ศีลมาอยู่ในวินยัยเพราะฉนั้นก็เหมือนกับคนตัวคนเดียวไม่มีญาติเพราะเมื่อไม่มีญาติไม่มีอะไรเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าอา้อาวพ่อแม่พี่น้องสายโลหิตอะไรพวกเนี้หรือเพื่อนเพื่อนฝูงแบบที่เคยเคยคบเคยหาเคยมีอยู่ในทางโลกโลกมันหมดแล้วนะมันไม่มีแล้วนะเพราะเหลือแต่เนี่ยเหลือแต่ภิกษุด้วยกันเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุนะมีภิกษุป่วยเกิดขึ้นแล้วถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันเองนี่ผู้เจ้าต่านถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันเองใครละ่ะจะให้ใครมาดูแลเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องอะไรเขาก็อยู่บ้านช่องเรือนชานเขาเอา้าวอันนี้ก็มาอยู่วัดอย่างเงี้ยถ้าไม่คนมาอยู่วัดไม่ดูแลกันเองไปให้ใครที่ไหนอะ่ะที่เขาอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ข้างนอกไกลๆบางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย เขารู้เรื่องเขาอาจจะมาก็ได้นะแต่แต่บางทีเราเจ็บกราป่วยเราโทเขาจะไปรู้เรื่องอยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้มาเอาใจใส่ไม่ค่อยมาเอาตาดูหูแลอะไรเราหรอกไม่ต้องอื่นไกลอ่ะขนาดบางครั้งอ่ะที่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะมาพูดในฐานะแบบสมณะนะบางทีโยมที่บ้านเนี่ยเขามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมา บางทีเขาก็ไม่บอกให้สามานาฬุอ่ะนี่พูดในมุมกลับนะเพราะเขารู้สึกว่าพวกเขาเองเขาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาของเขาเองเขารู้สึกว่าเออเอาเรื่องมาให้ท่านต้องกังวลต้องห่วงต้องทุกข์ร้อนใจด้วยบางทีโยมเขาไม่บอกอ่ะบางทีหรืออาจจะบอกก็บอกเราช้าหรือบอกเราทีหลังๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอื่นไกลอัจฉริยะยกตัวอย่างอัจฉริยเอง ขนาดโยมแม่จตมาเสียอันตมายังรู้ทีหลังคนอื่นคนเลย <c oughs> คือเขารู้สึกว่าท่านเป็นนักบวชแล้วเนี่ยนะตัดพยายามตัดอะไรต่ออะไรแล้วรู้ทีหลังคนอื่นก็แด้ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> แล้วมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือคือไม่ได้กลัวว่าอาตจมาจะฟุ้งซ่านหรือจะอะไรหรอกนะอันนั้นเขาไม่กลัวหรอกแต่เขาคิดว่า เราเนี่ยรู้ทีหลังก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็บอกคนอื่นให้ให้ให้รับรู้ก่อนเพราะถ้าคนอื่นน่ะได้รับรู้ทีหลังอ่าอาจมีเรื่องนะอ่าบอกช้าไปอ่าอาจมีเรื่องนะทําไมบอกคนโน้นคนนี้แล้วบอกชั้นทีหลังอืมสำหรับสำหรับอาตมาเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรบางทีไม่บอกด้วยซ้ำไปบางทีมีเรื่องมีรล่าเลยบอกไม่บอกท่านนะ เขาแก้ปัญหาอะไรของเขาไปตอนนี้บุมกับที่พระเจ้าเนี่ยท่านตรัสกับภิกษุนะบอกว่าเนี่ยถ้าภิกษุเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าภิกษุด้วยกันไม่ช่วยดูแลกันจะไปหวังพึ่งใครอะไรที่ไหนแม้คราวนี้ไม่ต้องเป็นนักบวชเนี่ยเป็นฆราวาสมาอยู่วัดก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเอ่า มีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้อาตมาได้ยินคนมาบน่นบนอาตมาก็เคยพูดไปบ่อยๆเหมือนกันที่บางคนไม่ไม่ใช่เยอะคนนะบางคนที่ก็ยังมีความรู้สึกอย่างเนี้ยคือยังไม่มีความรู้สึกเป็นญาติธรรมนะคือคือหมายถึงว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเครือญาติในทางธรรมอันเนี้ยยังยังไม่รู้สึกอย่างนั้น ก็ไม่รู้นะเขาจะไปเจออะไรหรือเข้าไปโดนอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละจะจะเห็นได้บ่อยๆนะเจนบางทีเนี่ยโอ้มาบนมาพูดมาบอกนะเจออย่างงั้นเจออย่างงี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวใครตัวมันอยู่วัดก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างนี้เพราะนั้นเขาจะไม่มั่นใจในตัวเอง ว่าถ้าเขาเจ็บป่วยหรือว่าถ้าเขาเดือดร้อนอะไรขึ้นมาจะไม่มีใครช่วยเขา ค, คือเขาเขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นพอเมื่อไม่มั่นใจอย่างนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าอถ้าอย่างนี้ก็ต้องหาเงินเก็บเอาไว้เป็นก้อนคือก็ยังอยากอยู่วัดนะแต่ว่าต้องหาเงินก่อนเก็บไว้เป็นก้อนคือไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไงอย่างน้อยน้อยก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรจะไม่ต้องใช้เงินจะได้มาใช้เงินได้ เงินของตัวเองไม่ต้องพึ่งกองกลางไม่ต้องพึ่งอะไรใครที่ไหนก็ได้ซึ่งซึ่งถ้าใครเนี่ยยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่<ฮ>นะอาตมาอยากจะบอกว่าพูดในมุมกลับมุมกลับก็คือแสดงว่าเจ้าตัวคนนั้นเองก็ไม่มีความรู้สึกเป็นญาติธรรมกับใครถูกไหมละ่ะถ้าจะมาพูดในมุมกลับ คุณถึงไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยว่าว่าถ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยคนอื่นจะช่วยคุณได้นี่พูดในมุมกลับให้ฟังแล้วถ้าอย่างเงี้ยเอคุณมาอยู่คุณก็เป็นอย่างนี้ด้วยคนหนึ่งถ้าอย่างนี้นะโอ้โหแล้วถ้าคนจะนวนมากคิดอย่างคุณคิดอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าพวกเราที่มาอยู่รวมกันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะการจะช่วยเหลือการจะพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เกิดแน่นอนเพาต่างคนก็ต้องระวังตัวแล้วก็เอาตัวเองให้รอดแล้วที่หนักกว่านั้นเมื่อคนนั้นรู้สึกอย่างนี้แล้วยิ่งนานวันเข้านานวันเข้าทถ้ากแก้ความรู้สึกนี้ไม่ได้คนนั้นก็จะคิดถึงญาติสายโรหิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่ยิงตัวมาอยู่วัดแล้วน ะ, อ, ะอันนี้หายถึงว่าอยู่วัดแบบแบบยาวแบบตลอดเลยนะคิดว่า บ้านเนี่ยก็มีแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยอยู่ละตั้งใจจะเหมือนกับเป็นคนวัดเลยเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทางโลกอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอะไรจะตามมาอีกเออจนในที่สุดมีปัญหาหรือมีอะไรอะรับรองคุณเ้ยมันก็ต้องไปพึ่งบ้าน มันบางคนป่วยกลับบ้านมีปัญหาอะไรกลับบ้านเพรา ะ, สะแสดงว่ามีบ้านเป็นที่พึ่งแล้วไงมันไม่ใช่มีวัดเป็นที่พึ่งอืมเพราะอันเนี้ยอาตมาบอกแล้วนะพูดในมุมกลับให้ฟังว่าถ้าจิตใครเป็นอย่างนั้นรับรองพระรูปไหนก็แด่สมามัญารูปไหนก็แด่ถ้ายังมีจิตอย่างนั้นอยู่ไม่นานหรอกคุณถ้ามีจิตอย่างนั้นอยู่ไม่นานหรอกมันสังสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เดี๋ยวก็กลับบ้านเรียบร้อยเพราะนั้นพระบวชใหม่ๆไม่ต้องพระอื่นนะนะเอาเอาสมณะอาโศกเนี่ยบวชใหม่ ห, มหลักการหลังๆนี่ของเราพ่อท่านให้ขึ้นภูผาฟ้าน้ำเลยะได้ห่างไกลญาติทั้งหลายญาติญาติทางโลกทั้งหลายนูน่นไปอยู่ในหุบเขานู่นเลยะได้ไม่ต้องมาห่วงกังวล เดี๋ยวญาติทรงค่าวอย่างงน้นญาติทรงค่าวอย่างนีม้มากเรื่องมากความไม่ให้ตัดเลยตัดจริงๆนะให้ไปอยู่เลยอย่างงน้อยนูน่นห้าปีขึ้นไปอยู่ให้ได้แล้วก็ไม่ให้กลับบ้านหลังๆเนี่ยไม่ให้กลับบ้านแล้วนะที่บวชมาใหม่ๆอย่างงน้อยก็สักเท่าไหร่สามปีเออ ม, มาจะไม่แม่นนั่นตรงนี้ มาสามปีหรือเปล่าห้า <Yeah. S 1> ปีเลยเหรอนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยบวชมาเนี่ยสามปีหรือห้าปีก็ตามนะไม่ให้กลับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีจิตมีใจอยู่ไปไม่รอดจริงๆอาตมาเองเนี่ยเคยเห็นกลับตามาแล้วสำหรับสำหรับตัวอาตมาเองนะ นะเคยมีสมณะอสกอยู่รูปหนึ่งท่านก็ยังมีจิตอย่างเงี้ยโอุตสาตั้งใจนะตั้งใจจะมาบวชจนกระทั่งได้บวชกว่าจะได้บวชก็โอ้โหยากลำบากเป็นสิบปีนะกว่าจะได้บวชอนะโอ้ตั้งใจจนกระทั่งได้นะ่ะแต่พอได้มาแล้วเนี่ยไอความที่ยังวงกังวลอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัว ในที่สุดบวชไปบวชไปทางบ้านส่งข่าวมาที่ละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องโอโหตะหลังวางใจไม่ได้เลยอาดมา ย, ยังแนะนําบอกท่านท่านท่านไปอยู่ที่ไกลๆหน่อยไกลบ้านท่านเนะี่ยบ้านอดีตเ่ยบ้านอดีตของท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยนะท่านไปอยู่ในที่ที่ไกลๆหน่อยให้เขาส่งข่าวไปไม่ถึงส่งข่าวไปไม่ได้หรือส่งข่าวไปยากๆหน่อยนั่นนหะ ขนาดอาตมาเนี่เห็นอยู่แล้วนะว่าไม่ได้แล้วต้องช่วยป้องกันแล้วขนาดพยายามช่วยป้องกันยังไม่สำเร็จเลยจนในที่สุดเนะโดนคร อ, อ, อบครัวส่งข่าวไปส่งข่าวไปท่านทนไม่ไหวในที่สุดก็เลยต้องสึกออกไปสึกออกไปแล้วก็นั่นแหละไปงอกงกอกงกงอกไปนั่งหาเงินให้เขา <laughs> ใช้หนี้ใช้สีนใช้อะไรต่างๆ จนในที่สุดพอใช้ไปใช้ไ ป, ไปมันไม่หมดหรอกเพราะคุณพยายามใช้ใช้ใช้นี่ไปเขาก็สร้างนี่ใหม่ขึ้นมาอีกอา้าวแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะจบอะก็ไม่จบอีกเพราะในที่สุดก็เลยพอศึกไปแล้วก็ทนอยู่กับเขาไม่ได้ในที่สุดก็เลยไปบวชใหม่อีก <c oughs> ก็เลยกลับไปบวชใหม่อีกตอนนี้อยู่วัดไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> นี่เล่าเรื่องของจริงตำนานให้ฟัง